พุทธคุณ น, นี้จ ร, จริงๆแล้วรักษารักษาสัตว์อย่างมากพระพุทธเจ้านั้นเป็นผู้ที่พิเศษปกติศาสตร์ทั้งหลายมากไปด้วยราคะโทสะและโมหะเวลาคิดถึงในราคะมันหายเอ า, อานไถ้ามีโทสะนะคิดถึงพุทธคุณแป๊บเดียวเนี่ยโทสะหายถ้าจิตใจกําลังลุ่มหลงคิดอะไรไม่ออกเลยน ะ, จะเจริญพุทธคุณแป๊บเดียวแล้วมันจะมันจะตื่นตัวเห็นไหมพุทธคุณ น, นั้นเป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์มาก บางแห่งบอกเลยถ้าเจริญพุทธคุณเป็นปกติเนี่ยนะกิดด้วยเวทมนต์คาถาไม่ต้องนะนะไม่ต้องนะนะเป็นเครื่องรักษาเป็นเครื่องป้องกันอย่างดีป้องกันตัวภายนอกด้วยป้องกันจิตไม่ให้ตกไปในบาปด้วยรักษาทั้งสองอย่างแล้วก็รักษาว่าถ้าจุติระหว่างนั้นไปดีได้ด้วยนะนะเอางั้นผู้ที่เจริญพุทธคุณเนี่ยกันไม่ให้ตายไม่ได้เลยพระพุทธเจ้าก็ยัง ดับขันปริณิพานสังขารทั้งหลายเที่ยงไม่มีรักเน่นะนะเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าเจริญพุทธคุณแล้วจะไม่ตายไม่ใช่อย่างนั้นแต่หมายถึงว่ า, าถ้าปกติกรรมทั่วๆไปเช่นอุ ป, ปปีและกระก ร, รมอุปคาตกรรมบางอย่างที่ไม่มีกาลังนักก็จะป้องกันได้น่นะทีนี้ถ้ากรรมมันหนักจริงๆก็ที่จะทำให้อายุสั้นเนี่ยนะก็ไปดีอ่ะนะสุขติก็หวังได้ถ้าถ้าจิตเศร้าหมองเออถ้าจิตผ่องใส สัตว์ทั้งหลายที่ไปอบายเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะว่าจิตเศร้าหมองจิตที่เศร้าหมองเกิดจากวิปติสารเนี่ยนะคือคือเดือดร้อนใจในเวลาใกล้จะตายนะอันนั้นแหละบอกถึงว่าไปไม่ดีมันคิดถึงพระพุทธเจ้าเนี่ยจิตผ่องใสถ้าพูดถึงว่าคิดถึงคนทั่วๆไปเนี่ยนะไม่มีไม่ค่อยมีใครที่มีความดีสมบูรณ์เนี่ยนะไม่มีใครมีความดีสมบูรณ์ในตัวทุกแงม่มุมอ่ะนะ เรียกว่าไม่ใช่สมันตะปาสาธิกาสมันตะนี่แปลว่าโดยรอบปาสาธิกาแปลว่าความเลื่อมใสไม่มีผู้ใดผู้หนึ่งเป็นที่ตั้งแห่งความเลื่อมใสโดยรอบบุคคลทั่วไปเนะี่ยมีข้อตําหนิจนได้ว่างั้นถอะทั้งรูปร่างกายด้วยทั้งความประพฤติด้วยทั้งคุณธรรมด้วยตําหนิดได้แต่พระพุทธเจ้าไม่เป็นอย่างนั้นหาช่องทางตําหนิไม่ได้แม้แต่อย่างเดียวเว้นไว้แต่จะหาเรื่องอ่ะ เวนไว้แต่โกรธอยู่แล้วนะจะด่าอย่างเดียวประสงค์จะดาย่างเดียวนะขัดหูขัดตาไปหมดแต่ถ้าทั่วๆไปแล้วด้วยสติปัญญาคลครวนแล้วพระองค์นี่มีเป็นผู้ที่มีความงามรอบด้านจริงๆเนี่ยนะงามทั้งกายวาจาและและใจเนี่ยนะงามทุกส่วนเลยนะก็เรียกว่าสมันตะปาสาธิกานะผู้เป็นที่ตั้งแห่งความเลื่อมใสได้โดยรอบเนี่ยนะเลื่อมใสได้โดยรอบพอคิดถึงบุคคลเหล่านี้แล้วจิตจะพองไส ย้อนมาที่สติปทานบัพพะที่กำลังเรียนอยู่เนี่ยนะคือนิวรณ์บัพพะก็ยังอยู่ในพยาปาท่านิวรณ์ที่กล่าวว่าเมื่อพยาบาทนิวรณ์เนี่ยนะมีอยู่ณภ า, ายในจิต ย, ย, ย่อมรู้ชัดว่าพยาบาทมีอยู่ณภายในจิตเมื่อพยาบาทไม่มีอยู่ณภายในจิตย่อมรู้ชัดว่าพยาบาทไม่มีอยู่ณภายในจิต อันหนึ่งพยาบาทที่ยังไม่เกิดขึ้นจะเกิดขึ้นด้วยประการใดย่อมรู้ชัดประการนั้นด้วยพยาบาทที่เกิดขึ้นแล้วจะละเสียได้ด้วยประการใดย่อมรู้ชัดประการนั้นด้วยพยาบาทที่ละได้แล้วจะไม่เกิดขึ้นต่อไปด้วยประการใดย่อมรู้ชัดประการนั้นด้วยนแรกที่ว่าเมื่อพยาบาทเกิดขึ้นก็รู้ว่าเกิดขึ้นหมายถึงว่าเกิดขึ้นบ่อยๆเนืองๆเนี่ยนะ พยาบาทก็แปลว่าความไม่พอใจก็ได้นะแปลว่าขัดเคืองใจก็ได้ถ้ามันขัดใจหรือว่าไม่พอใจหรือว่าหงุดหงิดเครียดพวกนี้ทั้งหมดและเรียกว่าพยาปาทานิวร์้ำมันเกิดขึ้นก็รู้ชัด น, น, นะโดยมากพยาบาทนิวร์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะเกิดเพราะอะไรเพราะมีปฏิฆานิมิตใช่เมื่อมีปฏิฆานิมิตการคิดถึงปฏิฆานิมิตบ่อยๆนั่นแหละ โทสะที่ยังไม่เกิดก็เกิดโทสะที่เกิดขึ้นแล้วก็งามเลยวางั้นเถอะเหมือนกับใส่ฟืนให้ไฟวางั้นนะนะถ้าคิดถึงสิ่งที่เราไม่ชอบบ่อยๆนะเหมือนกับใส่ฟืนให้ให้กับไฟตลอดเลยนะไฟก็จะลุกขึ้นลุกขึ้นลุกขึ้นนะสมมติว่าโทสะมันได้เชื้อ น, นิดหนึ่งนะค่อยๆ ค, คิดหาความเลวของคนนะนะเช่นเวลาคนจะด่ากันอนะนะตอนแรกก็ยังไม่มีอะไรด่าหรอกสมมติว่า แต่พอมันได้เหตุหนึ่งหนึ่งเรื่องนิดหนึ่งมาขึ้นมานะมันจะระลึกถึงไอ้ความบกพร่องปฏิคาณิมิตที่เคยรับมาทั้งหมดนะจะ โ, โหจารในถึงความเลวของคนนั้นได้มากอ่ะ น, นะก็ด่ากันอ่ะนะเธออไม่ดีเอาแล้วเธอดีนักหรือไงอ่ะนะก็ทีนี้ก็เอาแล้วกันนี้ก็นึกถึงไอ้ส่วนที่ไม่ดีก็จะพรังพรูออกมานะนึกยิ่งนึกเท่าไหร่โทสะก็พอกพูนมากเท่านั้นพอกพูนมากเท่านั้นแหละอันนี้แหละเป็นอาหารอย่างดีของ โทสะเนี่ยนะนก็เรียกว่าปฏิฆะนิมิตคิดถึงสิ่งที่เราไม่พอใจอะนะหรือทั่วๆไปชัดเจนก็คือความสูญเสียก็ได้นะโทสะจะเกิดขึ้น่อนึกถึงความสูญเสียความสูญเสียแต่ละอย่างที่ที่ไม่ที่เราไม่ต้องการเนี่ยนะนะอันนั้นแหละเป็นปฏิฆะนิมิตอย่างดีเนี่ยนะเช่นเสียเงินเสียทองเสียอะไรก็เถอะเสียญาติเสี ย, ย, สยโภคะแต่โดยทั่วๆไปท่านนึกถึงให้นึกพยศนะฮะที่ก่อให้เกิดความเสียใจะนะหนึ่ง อันน้นโภคฆาพยาสนะนึกถึงความเสียหายของโภคฆาณนะที่เคยมีแล้วมันหมดอะ่ะที่เสียหายจะด้วยเหตุผลใดก็ช่างอะ่ะพยาสนะคือคิดถึงว่าเสียทรัพย์ไปเนี่ยนะอันนี้จะก่อให้เกิดโทสะเนี่ย น, นะคนที่หวงแหนบางอย่างเนี่ยโหทำกว่าจะได้มานะมันหมดไปแบบไม่มีเหตุมีผลเนี่ยนะเช่น บอกว่ากลุ่มคนที่เสียใจมากอะนะที่เรียกว่าเสียทรัพย์แล้วเสียใจทันทีเลยคือกลุ่มนักการพนันเนี่ยนะหมายก็ว่าไอตอนเข้าไปเนี่ยแหมมันมีน้ําหนักมากพอหมดตัวลุกขึ้นเนี่ยมันเบ้าวิวหมดเลยว่างั้นพวกเนี้จ ะ, ะเรียกว่ามันมันหมดแบบชนิดที่ว่ามันไม่น่าหมดอย่างเงี้ย น, นะพวกนี้จะโทสะจะโทสะโทมนัสมีกําลังมากนี่อย่างเลงแล้วก็เสียทรัพย์เพราะถูกหลอกเป็นต้นอะ น, นะถูกเพราะถูกหลอกถูกโกงถูกอะไรทั้งหลายแหละพอคิดถึงไอทรัพย์ที่เสียไปนี่ก็ เสียใจและอย่างหนึ่งที่เสียใจมากอันนั้นนะอกระเป๋าสตังค์ร่วงอนะ่ะบางคนเนี่ยร้องไห้โฮเลยคล้ายๆอะ่ะสตังค์ก็ยิ่งไม่ใช่ของตัวเองด้วยนะยิ่งอันนั้นยิ่งหนักเลยอะ่ะเช่นก็ฝากซื้อของที่มันมีมูลค่านายนะแล้วก็ไปทํำของเขาหายด้วยนะโอ้โันนี้เดือดร้อนมากเพราะฉะนั้นไอ้เสียทรัพย์นี่ก็เสียใจตามมาดังนั้นการเสียทรัพย์ก็เป็นพยาธสนะที่ก่อให้เกิดความเสียใจอ ย, อย่างมาก ที่มากขึ้นไปกว่านั้นอีกก็เสียอะไรยาติพยศสนะเสียญาติเนี่ยนะเสียญาติเสียพี่เสียน้องเสียพ่อเสียแม่เสียลูกเสียหลานเสียหมดอาเวนแต่ชีวิตตัวเองอะนะที่เสียออกไปบุคคลทั้งหลายเหล่านั้นที่เป็นที่รักที่พอใจของเราเนี่ยเมื่อเขาสูญเสียเราก็เสียใจอย่างนี้เขาเรียกว่ายาติพยศนะบางพวกก็เสียใจพระโรคพยานะเนี่ยนะโรคะเช่นนึกถึงโรคภัยไข้เจ็บทั้งหลายแหละก็เสียใจเนี่ยนะ เสียใจถึงแต่ละโรคแต่ละโรคสมมติว่าคนที่คนไข้ที่เขาไม่ค่อยบอกคือคนไข้ชนิดไหนคนไข้เป็นโรคมะเร็งไหมหมายเขาพยายามจะปกปิดกันหน้าดูเลยนะอย่าบอกนะเพาะเขาเป็นโรคมะเร็งอ่ะนะเดี๋ยวเขาจะเสียใจมากกว่า น, นี้อีกนะปกติก็จะปกปิดกันเพราะอะไรเพราะว่าคนไข้เหล่านั้นพอได้ข่าวเขาก็ไม่ค่อยสบายใจนี่ยนะนะคุณบุญชูเนี่ยที่ที่อยู่ตึกนะั้นนะี่ยนะนะเขาจะบอกจะบอกคนไข้ทุกคนไหมว่าคุณเป็นมะเร็งนะอย่างนี้เขาบอกไหม บอกคนไข้เลยใช่ไหมอ่ะนะมิแล้วก็ที่ไม่บอกก็มีนะเพราะเขาชอบทำทใจตามนี้แล้วก็ให้ความร่วมมือกับหมอด้วยนะไม่บางคนก็อาการมากแล้วอย่างเงี้ยนะก็บอกไม่ไหวอย่างนงี้นนะเดี๋ยวช็อกเร็วขึ้นหน่นะแล้วก็บางทีเขาก็ไม่ค่อยบอกบางทีก็บอกแต่ว่าโรคทั้งหลายแหล่นี่ยนะบางคนเนี่ยเขาสุดเลยนะพอรู้ว่าตัวเองเป็นโรคอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมานะอย่างเช่นคนไข้บางคนก็ไม่ยอมตรวจเลือดเพราะกลัวว่าจะเจอ ถ้าเจอแล้วมันจะไม่ไหวเลยนะพ อ, พอไม่เจอเขาก็ยิ้มแย้ ม, ยมยแจ่มใสเลยนะเพราะฉะนั้นก็โรคทั้งหลายแหละบางคนเนี่ยพอรู้ปั๊บเนี่ยหาใจเนี่ยแป้วเลยนะถ้ายิ่งโรคบางอย่างแทบจะนับวันตายได้ด้วยเนี่ยยิ่งยิ่งไม่ค่อยอยากรู้เลยมันถ้าคิดถึงโรคเหล่านั้นที่มีอยู่ในตัวก็ไม่สบายใจอันนี้ก็นับว่าเป็นปฏิฆานิมิตที่แรงเนี่ยนะแรงมากที่จะพาตัวเองตายได้เนี่ยนะ และอย่างหนึ่งก็ที่เสียใจมากสําหรับคนที่อายชั่วกลัวบาปคือเสียศีลเนี่ยนะนึกถึงศีลที่ตัวเองเคยเสียไปนี่มันเสียใจบอกไปถูกอหมนะไม่น่าไปผิดศีลอย่างนั้นเลยนะคิดแล้วคิดอีกมันเสียใจมากนะถ้าถ้าคนที่รักศีลหน่อยนะไม่น่าไปล่วงแบบนั้นเลยไม่น่าผิดเลยมันไม่น่าพลาดเรื่องนั้นเลยนะอันนี้แหละที่ที่เสียใจมากอย่างเคยได้ข่าวพระภิสูจนวางรูปเนี่ยนะ พอพอท่านท่านเป็นอบัตบางอย่างเข้าเนี่ยมันจะนอนไม่หลับไม่ได้บางคนเนี่ยร้องไห้เลยอ่ะอ น, นะร้องไห้เลยว่ามันมันมันล่วงไปได้ยังไงอย่า ง, างนนเนี่ยมันไม่น่าล่วงอ่ะแต่มันร่วงไปแล้วนะนะนนะบางองค์ก็ถ้าถ้าชินชาก็อย่างว่านะแต่ในพูดถึงคนที่มีฮิริโอตะปะกลุ่มนั้นจะเสียใจมากเนี่ยนะนะนะว่าไม่น่าผิดเลยเนี่ยนะนะ ถ้ายิ่งจะน่าเสียใจเป็นอย่างมากด้วยถ้าอยู่ป่าอยู่เขาแล้วก็ศีลไม่ค่อยดีอันนี้เนี่ยยิ่งหนักเข้าไปอี ก, ก น, นะไม่มีอะไรเครื่องมั่นใจสักอย่างเลยนะนึกถึงพุทธคุณก็นึกไม่ค่อยออกเพราะว่าก็คําสอนพระพุทธเจ้าเราก็ทําตามไม่ค่อยได้นะไปคิดถึงอีกยิ่งไปกันใหญ่อี ก, ก น, นะเรียกว่ามันก่อให้เกิดความลําบากใจเป็นอย่างมากเลยผู้ที่เสียศีลถ้าผู้ที่มีกรรมสศกตาโดยมากจะเสียใจมากนะนะมันเสียศีลเนี่ยก่อให้เกิดความเสียใจอย่างมาก แล้วก็ที่เสียใจไปกันอีกนั้นอย่างหนึ่งก็คือเสียทิฏิเนี่ยนะคือทิฐิที่เสียไปเนี่ยก็เรียก ว, ว่าทิฐิพยาสนานี่ก็เสียใจเหมือนกันอย่างหนึ่งก็ถ้าจะเสียชีวิตด้วยนี่ก็จะเสียใจนะถ้าจะตายด้วยพวกนี้ทั้งหมดเป็นปฏิฆานิมิตบอกว่าถ้าจะโทสะนะคิดถึงอะไรบอกคิดถึงผีเนี่ยนะบางคนเนี่ยโทสะขึ้นมาเลยนะคิดถึงผีนะตอนที่อยู่พวกมากๆอย่างนี้มันไม่เท่าไหร่หรอก อยู่บ้านคนเดียวด้วยนะที่มันเปลี่ยวๆหน่อยแล้วก็เฮ้ถึงผีอะนะโอ้โหมองอะไรมันเป็นผีไปหมดเลยอะ่ะนะมองอะไรมันเป็นสมมติว่าใครกลัวผีแบบผ้าขาวหน่อยนะคิดตรงไหนมันมีแต่ผ้าขาวผีมาแล้วมาแล้วนะกลัวโลงหน่อยนะมองตรงไหนมันเป็นโลงไปหมดเลยนะนนสมมติว่าใครกลัวยักษ์กันนะ เด็กๆเนี่ยเคยกลัวยักษ์เหมือนกันเลยยักษ์มันยังไงนึกกลัวขึ้นมาตื่นขึ้นมาเด็กๆมันมองเห็นเงาต้นไม้แต่คุมค่มแต่คุ่มเอ๊ะมันมาแล้วมั้ง <c oughs> กลัวเหมือนกันเพราะฉะนั้นไอ้พวกที่ตั้งแห่งความกลัวทั้งหลายเนี่ยจะก่อให้เกิดโทสะเนี่ยนะจามีนิดกลัวผีไหม <c oughs> มีบ้างนิดหน่อยนะ <c oughs> ถ้าถ้าคิดก็ <c oughs> คือถ้าคิดย้ำไปเรื่อยๆนะมันจะเริ่มกลัวขึ้นมาเนาะเอาจนกลัวจนได้อ่ะตรงนั้นก่อนหน่ากลัวตรงนี้ก่อนหน้ากลัว นะเคยไปอยู่ป่าชาบางแห่งนะนอนตื่นขึ้นมามันไปตื่นอะไรไม่รู้ตีสองตองีตีหนึ่งตีสองอย่างเงี้ย น, นะมันไม่น่าตื่นในช่วงนั้นอนะ่ะไปตื่นช่วงนั้นมันเงียบหมดเลยนะป่าชาหนิอโอ้โหแล้วที่นอนนี่มันบนหลุมศพด้วยนะแถวแถวที่เขาปักศพทั่วไปหมดเลยนะแม่มันกลัวเหมือนกันนะถ้าถ้าตองนั้นถ้าไม่ได้คิดถึงคําสอนไม่ได้คิดถึงพุทธคุณอะไรนะี่ก็ยุ่งเหมือนกันคนอื่นก็หลับไปหมดแล้วก็อยู่ไกลๆกันด้วยอนยะ่างเงี้ยไง ไอตอนแรกมันเจริญกรรมฐ า, านไปเรื่อยจนกว่าจะหลับนี้ก็ไม่ค่อยมีปัญหาละไอ้ตื่นขึ้นมาแล้วอโยนิโสมันเกิดขึ้นก็บอกถ้ามีถ้าแบบได้รับมาว่าตรงนี้มันดุนะเนี่ยยิ่งไปกันใหญ่เลยนะหมามันเดินก็จะว่าผีหลอกอีกแล้วนกมันร้องก็จะว่าผีหลอกขอให้มันมีอะไรมาสะเทือนหน่อยหนึ่งนะมันจะบอกว่าผีหลอกหมดเลยนะนะดีไม่ดีเนี่ยนะไอนอนขดขาตัวเองนะนะนึกว่าขาเป็นยักษ์ซะอีกอนะ ผีหลอกแล้วเนี่ยผีมาแล้วมันมั น, นก็ปัดพวกนี้ทั้งหมดเป็นปฏิฆานิมิตเนี่ยนะคิดบ่ยๆก็โทสะขึ้นเยอะเนี่ยนะกลัวกันนะเกเด็ก หบางท่านศึกษานํามา ก, ก็เพราะกลัวผีถ้าไม่กลัวผีต้งไหนไม่ได้เรียนทาํม า, ามาหรอกตามมาเพราะกลัวผีที่บ้าน <c oughs> บอก ม, มีต้นมีต้นในต้นไม้สูงค่างบ้านผ ม, มต้นต้นแตงแ็ง <c oughs> แล้วก็เย็นนองอะ่ะเจ็บเราก็จะตื่นขึ้นมาก็เห็นนั่งสองคน <c oughs> นั่งอยู่โคนต้นไม้ ร้องไห้เรื่องอะไรก็ไม่รู้อะยิงยิงยิ ง, งิอยู่โค้ดต้นไม้อะแล้วอยน้องคนเด็ก เ, เออแล้วก็มีอยุมากแล้วแค่ไม่กลัวครัครบแค่อกแค่เห็นแล้วเดินผ่านไปไม่เข้าห้องนะแต่คุณนันพนไม่ได้เห็นแล้วกลัวค็นเลยกับเด็กขาลอกไม่เคยกลัวถ้าคนมีกลัวปะไม่กลัวไม่กลัว เพื่อจะเจอบ้างไเจอดีแลอยากจะเจอมันมันมีจริงนะมันอาจะเจอแล้วมันเจอกันแล้วอยู่ด้วยกันเนี่ยไปเจอด้วยแล้วก็อยู่ด้วยกันเลยนะนกลัวพระกลัวจริงๆนะพวกนี้เป็นปฏิฆานิมิตนะก็เก่อให้เกิดโทสะทั้งนั้นแหละเนี่ย ทีนี้ต่อไปว่าถ้าจะแก้โทสะเนี่ยนะไม่ให้มีโทสะก็คือว่าเมตตาเจโตวิมุตนั้นน่ะถ้าใสา่ใจบ่อยๆที่ถึงเมตตาเนี่ยนะก็ก่อก่อให้ละโทสะหรือละพยาบาทได้ทีนี้โดยศพพูดถึงโดยศพว่าถ้าพูดถึงเมตตาเนี่ยนะศพว่าเมตตาเฉยๆเป็นได้ทั้ง อปปนาสมาธิเป็นทั้งอุปจารสมาธิเนี่ยนะอปปนานี่เป็นชื่อของฌานอุปจาระก็คือสมาธิที่ใกล้กับฌานแต่ถ้าใช้คำว่าเมตตาเจโตวิมุตต์เนี่ยเป็นฌานอย่างเดียวเนี่ยนะสับที่ไหนก็ตามถ้าเป็นเมตตาเจโตวิมุตต์นะที่นั่นต้องเป็นฌานอย่างเดียวโยนิโสมนสิการคือใส่ใจไปในเมตตา เมตตาเจโตวิมุตต์เนี่ยนะคิดถึงจิตที่เมตตาคิดถึงจิตที่เยือกเย็นที่ ท, ที่มีเมตตานะคิดถึงอย่างนั้นบ่อยๆก็จะระ ง, งับโทสะได้เมื่อพระโยคาวจรยังการทใํใไวในใจโดยแยบคายนั้นให้เป็นไปมากๆในเมตตาเจโตวิมุตินั้นเธอย่อมละ พ, ะพยาบาทได้อันนี้ยกตัวอย่างแบบคนชั้นสูงเลยนะคนที่เคยได้ฌาน่ะเคยได้ฌานแล้วมีเมตตาเยือกเย็นต่อสัตว์ทั้งหมดเนี่ยนะ เวลาโทสะเกิดขึ้นมานึกถึงเมตตาฌานอ น, นั้นที่ตัวเองเคยได้พอคิดถึงอย่างนั้นก็ละโทสะได้พอคิดอย่างนั้นก็น้อมเพื่อที่จะเข้าฌานแบบนั้นก็จะไม่มีโทสะเนี่ยนะเพรา ะ, ะนั้นก็ฝึกให้มันได้ฌานที่เกิดจากเมตตาให้ได้ก่อนทีนี้วันหลังถ้าโทสะปั้บคิดถึงอันนั้นได้เลยอ่ะแต่คนที่นี้โดยปกติเขาก็ไม่ปล่อยให้มันโทสะก่อนนะเขาก็จะเจริญเอาไว้ป้องกันเอาไว้อย่างมากอ่นะ โดยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงรตรัสว่าดูก่อนพิสูจนทั้งหลายเมตตาเจโตวิมุตต์มีอยู่การทําให้มากซึ่งโยนิสโสมนัิการในเมตตาเจโตวิมุตต์นั้นนี้เป็นอาหารเพื่อความไม่เกิดแห่งพยาบาทที่ยังไม่เกิดหรือเพื่อละพยาบาทที่เกิดขึ้นแล้ว น, นีธรรม6ประการเพื่อละพยาบาทก็คือการเรียนนิมิตคืออารมณ์แห่งเมตตานะ่นเอ ซึ่งคำอธิบายว่าเมื่อพโยคาวจรเรียนเมตตากรรมฐานด้วยการแผ่เมตตาไปโดยเจาะจงทิศหรือไม่เจาะจงทิศอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยนะโอทิสกะอโนทิสกะที่สาพารรณานเ น, นี่ยนะเธอย่อมละพยาบาทได้อันนี้หมายถึงว่าการเจริญเมตตาที่เจเาะจงทิศเนี่ยนะเริ่มคือเริ่มเจริญตั้งแต่ไหนเจริญให้ตัวเองก่อนเนี่ยนะเจริญให้ตัวเองก่อนอย่างที่สองเจริญให้แก่ผู้ที่เรา เคารพอย่างที่สามก็เจริญให้เพื่อนให้เพื่อนที่คุ้นเคยกันเนี่ยนะอย่างที่สามก็เจริญให้คนกลางกลางสี่ต่อไปสุดท้ายก็เจริญให้ศัตรูเนี่ยนะอันนั้นยนอีกครั้งนึงเจริญให้ตัวเองเจริญให้ผู้ที่เราเคารพอย่างที่สามก็เจริญให้แก่คนเพื่อนกันเพื่อนกันเนี่ยนะแล้วก็เจริญให้คนกลางกลางแล้วก็เจริญให้ ศัตรูนะถ้าเจริญได้อย่างนี้เนี่ยนะว่าจนเรียกว่าคิดถึงใครก็ไม่มีโทสะแล้วนะก็เริ่มกระจายไปเริ่มกระจายไปถ้าเป็นพระพิสูจท่านก็บอกว่าให้กระจายเจริญในบริเวณวัดเดียวกันก่อนเนี่ยนะในบริเวณนะขอเช่นถ้าถ้าเป็นในวัดนะนะพูดถึงวัดหนึ่งมีพระพิสูจเยอะๆนะก็ทีแรกให้เจริญให้ตัวเองหลังจากนั้นให้กับเจริญให้อาจารย์เนี่ยนะ หลังจากนั้นก็เจริญให้กับเพื่อนนะนะหลังจากนั้นก็เจริญให้กับพิกูุทั่วทั่วไปแล้วก็หลังจากนั้นก็เจริญให้ผู้ที่เราไม่ชอบนะน ะ, นะถ้าเจริญได้จนจิตเสมอกันหมดอย่างนี้แล้วก็เริ่มแผ่ละเริ่มกระจายว่าเช่นว่าขอให้ทั้งวัดเนี่ยมีความสุขนะนะก็เริ่มกระจายไปถึงหมู่บ้านนะขอให้ทั้งหมู่บ้านเนี่ยมีความสุขนะ แล้วก็ว่าไปตามถนนตามซอยเนี่ยนะเจริญไปตามถนนตามซอยแล้วก็กระจายไปเรื่อยๆเนี่ยนะถ้าเป็นอย่างนี้ก็ว่าไปตามถนนก่อนก็ได้แล้วก็ว่าเป็นตามอำเภอห ร, รือว่ากระจายไปตามเป็นจังหวัดเป็นภาคเป็นประเทศนะนะแล้วก็กระจายไปมากกว่านั้นก็เป็นทวีปใช่ไหมกระจายนั้นก็ทุกทวีปเลยแล้วก็จนกว่าจะกระจายในจกกักรวาลที่ไม่มีที่สิ้สนสุดเนี่ยนะก็เจริญไปไม่มีสิ้นสุดอยู่แล้วเช็พาะ เ, เรียกว่าอับปมัญญาเนี่ยนะไม่มีไม่มีที่สิ้นสุดก็จเจริญไปจนได้ทิศเบื้องบ น, บนเบื้องต่ำเบื้องขวางไม่ครับแคบไม่มีเวรไม่มีศัตรูนะนะเนี่ยนะก็เจริญไปถ้ามันจเจริญแบบนี้บ่อยๆก็จักละโทสะได้เนี่ยนะก็ฝึกจเจริญไว้ให้ทุกทิศมีความสุขให้ทุกคนมีความจเจริญ น, นะคนที่จเจริญเมตตานะ เขาบางทีเขาใช้คําว่าเป็นผู้ใหญ่นะพรหมวิหารก็คือเป็นเรียกว่าคุณธรรมของผู้ใหญ่เหมือนกันผู้ใหญ่โดยทั่วๆไปเนี่ยนะเขาจะไม่ค่อยคิดริษยาใครใช่ไหมคิดแต่ให้คนมีความเจริญไปหมดเลย น, นะเห็นลูกเห็นหลานก็แอบคิดให้ลูกให้หลานมีความสุขความเจริญไปหมดอันคนที่เจริญเมตตาจริงๆมากๆก็เป็นเหมือนกับ น, นะคุณธรรมเนี่ยเป็นใหญ่เขาก็จะคิดให้ทุกคนมีความสุข น, นะ เจริญอะไรไม่น่าเนี่ยนะเวลาก่อนจะเข้าห้องเรียนก็คดให้ทุกคนที่มาเรียนมีความสุขก่อนนี่ก็ก ก, ก็็เบาไปเยอะแล้วใช่ไหมไม่รู้จะไม่อิจฉากันทําไมเอกคนโน้นหมมันนั่งโต๊ะหน้าเรามปนั่งโต๊ะหลังเลยไม่เห็นไม่ชัดอะไรก็ไม่มีคือปกติก็เขาไม่ค่อยมีใครอยากกันมานั่งใกล้ๆพระอยู่แล้วแลก็เลยก็ไม่ค่อยมาอิจฉาอะไรกันมากหรือว่าแหมเขาตีนะเขา<อ><อ>นั่งอยู่ไกลเกินอะไรเงี้ยนะเพื่อนก็เจริญเมตตาให้กันเองก็ได้นั่นเ เจริญเมตตาขอให้วันนี้ให้เข้าใจเยอะๆนะให้รับคําสอนเอาไปให้เย็นอกเย็นใจนะถึงเอาไปปฏิบัติไม่ได้ฟังแล้วก็ให้กุศลเจริญให้เกิดปีติปรามโมทนะถ้าเอาไปเจริญเอาไปปฏิบัติได้ก็ยิ่งดีอะไรเงี้ยนะก็เจริญเมตตาคิดให้คนอื่นเ้ามีความสุขความเจริญแต่ว่าในระหว่างเจริญเนี่ยใครใครใครได้บุญก่อนอ่ะก็คนเจริญนั่นแหละเนี่ยนะคนเจริญก็มีความสุขก่อนแลยอันดับแรกแต่ถ้าไม่เจริญอ่ะใครเดือดร้อนก่อน คนไม่เจริญนี่แหละเดือดร้อนก่อนเนี่ยนะมันก็ฝึกเจริญอย่างนี้มากๆก็ละพยาบาทได้นะแต่ว่าไม่ใช่ว่าทำไมโทสะกําลังพลุ่งพล่านขึ้นมาแล้วปกติก็ไม่เคยเจริญเนี่ยนะขอให้ขบะเจ้ามีความสุขให้ขบะเจ้ามีความสุขแต่ไม่ค่อยสุขเท่าไหร่มั้งเนี่ยนะขอให้คนโน้นมีความสุขเป็นสุกยิงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคือถ้าโทสะนะถ้าลักษณะของโทสะเนี่ยถ้าได้ยินว่าใครเนี่ย เสียหายอย่างใดอย่างหนึ่งนะั้นโดยเฉพาะคนที่เป็นเวนอ่ะนะแล้วเราดีใจอะ่ะนั่นแหละบอกถึงว่าเราเนี่ยโทสะกับคนนั้นเช่นถ้าเขาบอกว่าคนนั้นอะ่ะคนที่เราไม่ชอบนะเขาเสียอย่างโน้นเสียอย่างใดอย่างหนึ่งไหมมันชอบใจมากเลยนะอันนั้นนะประกาศถึงว่าคนนั้นเนี่ยมีลักคนนั้นอะ่ะเป็นคู่เวนกับเราเป็นคนที่เราไม่ชอบเป็นคนที่เรามีโทสะกับคนนั้น <c oughs> ทีนี้ต่อไปนะข้อสองการประกอบเนืองๆซึ่งเมตตาภาวนาคือเมตตาภาวนานุโยก เมื่อพโยคาวจรเจริญเมตตาโดยแผ่ไปสู่ทิศโดยเจาะจงหรือไม่เจาะจงก็ดีเนี่ยนะอันนี้ก็คือหมายถึงตัวภาวนาเองนะนะเจริญภาวนาอย่างนี้ให้บ่อยๆให้มากๆคิดให้ให้จิตเป็นไปกับเมตตาให้มากเท่าที่จะมากได้อันนี้ก็เป็นวิธีที่จะละโทสะเนี่ยนะละพยาบาทนิวรณได้ข้อที่สามบอกว่า การพิจารณาถึงความที่สัตว์มีกรรมเป็นของตนเนี่ยนะคือพูดถึงว่าสัตว์ทั้งหลายเขามีกรรมเป็นของตนทีนี้เราก็มานึกถึงว่าคนที่เราโกรธนะคนที่เราโกรธเราก็พิจารณาว่าเราเนี่ยโกรธคนนั้นนะ่ะเราจะทำอะไรเขาได้เราอาจจะทำศีลเป็นต้นของเขาให้พินาศได้หรือนะเราเนี่ยมาแล้วด้วยกรรมของตนก็จะไปตามกรรมของตนนั่นแล ขึ้นชื่อว่าการโกรธผู้อื่นก็เช่นเดียวกับผู้ปรารถนาจะจับฐานไฟที่คู่ชนซี่เหล็ก อ, อันร้อนจัดและอุจาระเป็นต้นประหารผู้อื่นนี่นะอันนี้พูดถึงว่าเราโกรธคนนั้นนะนั้นะนะเราเนี่ยเสียหายอะไรบ้างจริงๆแล้วไม่ใช่ว่าเราจะทำลายคนที่เราโกรธได้หมดใช่ไหม สมมุติถ้าเราเราโกรธใครจะฆ่าคนนั้นน่ะดีไม่ดีเราอาจจะถูกฆ่าก่อนก็ได้จริงแล้วอาจจะฆ่าเขาไม่ได้จริงๆหรอกเนี่ยนะแต่ก็ได้แต่คีดได้แต่พยาบาททีนี้ถ้าเราโกรธผู้อื่นอย่างนี้นะก็เหมือนกับจับก้อนไฟเนี่ยเตรียมจะปาคนอื่นนะเดี๋ยวเขามาเหอะเดี๋ยวรับจับก้อนไฟว่าเนี่ยรอเดี๋ยวเขามานะเขายังไม่ทันมาละมือของเราเนี่ยกุดไปตั้งนานแล้วอย่างนี้โทสะมันฆ่าศีษะคือปัญญาไปตั้งนานแล้ว ถ้าคนอื่นที่โกรธเราล่ะเขาจะทําอะไรได้เนี่ยนะเขาจะอาจทําศีลเป็นต้นของเราให้พินาศได้หรือคือศีลจะเสียหรือไม่เสียศีลน่ะมันอยู่ที่เขาหรือมันอยู่ที่เราสมมุติถ้าศีลของเราอ่ะนะเราจะเสียศีลหรือไม่อะ่ะเจตนาไม่รักษาใจผู้อื่นใช่ไหมมันรักษาใจของเราถ้าเรารักษาศีลจริงๆอ่ะนะใครจะมาทำให้เราศีลขาดได้เขาถ้าเขารักษาศีลเนี่ยนะใครจะไปทําลายศีลของเขาได้เพราะฉะนั้น เราเนี่ยเขาก็มาด้วยกรรมของตนก็จับไปตามคำํำตามกรรมของเขานั่นแหละความโกรธนั้นจักตกลงบนศีรษะกระหม่อมของเขาเองเหมือนประหารผู้ไม่ประหารตอบเหมือนนําทุรีเนี่ยซัดไปในที่ทวนลมฉะนั้นอันนี้พูดถึงว่าถ้าเขามาทําลายเราเนี่ยนะเขาโกรธเราเขาไม่ชอบเราเรา อ, ะอ่ะถ้าเราดีจริงเรามีศีลมีธรรมเนี่ยนะถ้าเขาประหารเราอะ่ะเขา เขาก็เหมือนกับการเนี่ยซัดไอ้ฝนทวนลมอ่ะนะมันก็ตกส่งลงไปในเขาอ่ะเพราะว่าการโกรธเนี่ยนะถ้าไปโกรธคนที่ไม่โกรธตอบแล้วเขาจะบาปมากก็มีคนฟังคํานี้แล้วอะโยนิโสมันเกิดขึ้นว่าไงนะเวลาเขาโกรธเรานะเราต้องโกรธเขาหน่อยว่างั้นเาจะได้้บาาปนนออยยห่่วงนั่นเองว่าถ้าเราไม่โกรธเขาเลยเดี๋ยวเขาจะบาปมากว่างั้นเราก็โกรธเขาหน่อยเนี่ยนะ แต่ขอแบ่งเอามาจนได้นะ <c oughs> มันถ้าการเจริญเมตตาไอการพิจารณาเรื่องกรรมเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีมากคือ <c oughs> ถ้าเราโกรธเลยนะเราจะเสียคุณธรรมอะไรไปบ้างถ้าเราจะตกนรกเนี่ยเพราะไอโทสะที่มีอยู่ในจิตของเรานะไม่ได้เพราะคนอื่นที่ไหนรอกนะนะ และคนอื่นก็เหมือนกันที่ถ้าเขาจะไปไม่ดีก็เพราะกรรมของเขานะต่างฝ่ายก็ต่างมาด้วยกรรมของตนเนี่ยนะหรือถ้าคิดอย่างนี้แล้วไม่หายโกรธทําไงเนี่ยนะเอา้าเขาก็มาด้วยกรรมของเขาเราก็มาด้วยกรรมของเราเอานึกแล้วมันก็ยังไม่หายโกรธอะ่ะเขบอกว่าให้พิจารณาความดีที่มีอยู่ในตัวคนนั้นก็ได้เนี่ยนะว่าเขาต้องมีความดีอย่างหนึ่งละ่ะเนี่ยนะจะดีทางกายหรือทางวาจาหรือ ทวารใจเนี่ยนะทีนี้ถ้ามันเลวบริสุทธิ์จริงๆก็บอกว่าให้เจริญการุณาให้เลยว่าเจ้านี้มันตายแล้วมันตกนรกงั้นไๆเลยนะให้เจริญการุณาเขาได้เลยว่าสำนวนว่ามีคนเลวขนาดหาความดีไม่เจอเลยนะให้รู้เือว่าเขาอาจจะไปไม่ดีก็ควรจะเห็นใจเขาไม่มากกันนะทีนี้ถ้าไม่หายอีกล่ะก็นึกถึงความเกี่ยวเคยเกี่ยวเนื่องกันในวตตะเนี่ย น, นะว่า เขาเคยเป็นพ่อเราก็ได้ในสังสารวัตรเนี่ยนะถ้าเขาเป็นพ่อเรานะเขาทำมาหากินเพื่อจะเลี้ยงดูเราเนี่ยไม่ใช่เหน็ดเหนื่อย น, น้อยเลยนะความทุกข์อย่างมากในการประกอบอาชีพเพื่อที่จะมาเลี้ยงบุตรนั้นเราในฐานะเคยเป็นลูกเขาเ็าเลี้ยงเรามาเป็นอย่างดีอ่ะเพรา ะ, ะนั้นเราก็เขาก็น่าเราเนี่ยไม่น่าโกรธเขานะเนี่ยนะเขาก็เคยมีคุณต่อเราถ้าเขาเป็นผู้หญิงเขาเคยอุ้มท้องเรามากี่เดือนแล้วอย่างง้นะ เคยเลี้ยงดูเคยประคบประงมเคยเชิดอุจจาระประสัสสาวะให้เราเพระะัะเราเปทําไมไปโกรธคนที่เคยมีคุณกับเราเนี่ยนะก็คิดถึงความเกี่ยวเนื่องกันในวัตฏะอันยาวไกลอีกอย่างหนึ่งก็ทําไม่หายจริงๆก็โกรธอะไรโกรธผมหรือหรือว่าไม่ชอบใจคิ้วหรือฟันหรือว่าเล็บหรือว่าหนังเนื้อเอ็นกระดูกเนี่ยนะก็คิดแบบอาการสามสิบสองไปเลยเนี่ยนะ หรือกโกรธรูปขันหรือกโกรธเวทนาขันโกรธสัญญาขันสังขารขันหรือว่ากโกรธวิญญาณขันหรื อ, อกโกรธจักขวายตนารูปายตนาโสตายตนาสัทธายตนาะโกรธอายตนาไหนกันแน่นะหรือว่ากโกรธจักขุนศีโสตินศีคานินศีชิวหินศีหรือว่าโกรธใจของเขาเอากโกรธใจ ใจชนิดไหนอ่ะใจของเขาก็มีทั้งราคะโทสะโมหะรังเกียจจิตชนิดไหนอ่ะจิตที่เกิดจากราคามันก็เกิดจากปัจจัยนะจิตที่เกิดจากโทสะมันก็ได้ปัจจัยนะเขาก็ได้ปัจจัยมานั้นๆน่นนะหรือว่าโกรธอวิชาที่เป็นปัจจัยแก่สังขารเนี่ยนะก็ไล่เป็นปฏิจจสมุปบาทเลยนะเราทบทวนให้หมดแล้วก็คาว่าความโกรธก็จะไม่มีวัตถุที่ตั้งนะ คือโทสะที่เกิดมันต้องมีนิมิตใช่ไหมที่ตั้งที่อาศัยถ้าไล่พิจารณาไปมากๆ ก, ก็ไม่รู้จะไปโกรธเอาตรงไหนแล้วนะท่านก็จะละพยาบาทได้ท้ามั่นคิดแบบนี้บ่อยๆส่วนวิธีเจริญเพื่อกำจัดโทสะนี้วิสุทธิมรรคท่านยกมากล่าวไว้เยอะหลายน